แถวนี้ผีดุเปิดราย น, นามนาคราชผู้มากด้วยบารมีในปัจจุบันมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคอยู่อย่างหลากหลายทั้งพญานาคในพุทธการที่ปรากฏตามพุทธประวัติพญานาคตามความเชื่อในศาสนาฮินดูที่ทําหน้าที่เป็นผู้อรารักขาองค์เท พ, พเจ้าหรือความเชื่อในปัจจุบันเกี่ยวกับพญานาคทั้งในแถบภาคอีสานภาคเหนือ และบริเวณพื้นที่อื่นๆทีมงานแถวนี้ผีดุได้รวบรวมรายนามพญายนาคซึ่งเชื่อว่ามีหน้าที่และบทบาทสําคัญอีกทั้งยังได้รับความนิยมในการบูชาจากผู้คนทั่วไปดังนี้ท้าววิรูปักท้าววิรูปักเป็นพญานาคผู้เป็นใหญ่แห่งหนาคราชทั้งปวงถือเป็นพญานาคในชั้นปกครองท่านมีฐานะเป็นพญานาคเทวดาเพราะเป็นหนึ่งในท้าวมหาราชหรือท้าวจตุโลกบาลแห่งสวรรค์ ฉันจะตุมหาราชิกาอาศัยอยู่วิมานของสวรรค์ชันจะตุมหาราชิกาซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับโลกมนุษย์มากที่สุดท้าววิรูปักเป็นพญานาคที่เกิดในตระกูลวิรูปักหรือพญานาคในตระกูลสีทองท่านจะมีกายเป็นสีทองดวงตาเป็นสีขาวอมฟ้าหน้าที่ของท้าววิรูปักนั้นคือเป็นท้าวมหาราชที่ปกครองทางทิศตะวันตกในสวรรค์ชั้นจะตุมหาราชิกา โดยหน้าที่สำคัญคือการปกครองดูแลพญานาคทั้งหมดไม่ว่าพญานาคเหล่านั้นจะอาศัยอยู่ที่ใดหรือเป็นพญานาคในระดับใดก็ตามก็ต้องอยู่ใต้การปกครองของเท้าวิรูปักรวมถึงงูตะขาบแมลงป่องและสัตว์มีพิษทั้งหลายล้วนแต่อยู่ในการปกครองของเท้าวิรูปักซึ่งเราจะเห็นภาพของเท้าวิรูปักบ่อยครั้งจากสัญลักษณ์ของกระโซงเกษตรและสหกรณ์โดยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระพิรุณทรงหน้านอกจากนี้ชื่อของท้าวิรุปักยังมีปรากฏในเทวตํานานยุคต้นโดยในสมัยนั้นท่านทรงดํารงตําแหน่งเท้าสกกะที่สําคัญคือท้าวิรุปักยังมีกล่าวถึงในพระคถ า, าขันธปาริตหรือสมัยโบราณเรียกว่าพระปริศกันงูเป็นบทสวดเจดตตํานานเพื่อให้เกิดความมีสวัสดิภาพแก่สัตว์มีพิษทั้งหลายที่อยู่ภายใต้การปกครองของท้าวิรุปักและยังทําให้สัตว์มีพิษเหล่านั้น เป็นมิตรกับผู้สวดคาถาจึงไม่เกิดการทำร้ายกันไม่อค่าพยาบาทต่อกันพญานาคมุจจรินเป็นพญานาคราชที่ปรากฏในพุทธประวัติเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมทรงตรัสรู้แล้วจึงได้เสด็จไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อแสดงธรรมเทศนามีครั้งหนึ่งที่พระองค์ได้ไปอยู่ที่ใต้ร่มไม้จิกชื่อมุจจิน พระองค์ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุขเป็นเวลาเจวันเจ็ดคืนในคราวนั้นเองได้มีพายุฝนตกลงมาทําให้เกิดลมหนาวพญานาคชื่อมุจจรินจึงได้มาปกป้องพระพุทธองค์ไม่ให้ลมหนาวหรือแม้แต่เม็ดฝนถูกต้องพระวรกายโดยการขหนดตัวเป็นวงกลมเจ็ดรอบและแผ่พังพานปกพระพุทธเจ้าไว้หลังจากลมหนาวและฝนได้หยุดลงแล้วพญานาคมุจลินจึงได้จําแรงกายเป็นมานพหนุ่มเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยเหตุการณ์นี้ จึงนำมาสู่การสร้างพระพุทธรูปปางนาคปกอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันทําให้ชื่อของพญานาคมุจลินเป็นที่กล่าวถึงกันมากและได้รับความเคารพศรัทธาจากผู้คนทั่วไปเนื่องจากพญานาคมุจลินนั้นได้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้องพระพุทธองค์สําหรับมุจลินนาคราชนั้นมีกายเป็นสีเทาฮินดูเสียนและปล่องพระนาภีเป็นสีทองเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนทั่วไป และยังปรากฏเป็นรูปปั้นพญานาคมุจลินตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อให้ผู้คนได้เคารพ บ, บูชาพญานาคสีสุดโทคือพญานาคผู้เป็นใหญ่ในฝั่งไทยท่านเป็นพญานาคที่เกิดในตระกูลเอรัประถะคือพญานาคที่อยู่ในตระกูลสีเขียวท่านจึงมีกายเป็นสีเขียวมรกตมีเสียรเป็นสีทองป้องพระนาภีเป็นสีทองอุปนิสัยชอบจำศีลภาวนา เป็นผู้มีเมตตามากมีพญานาคีสีปทุมมาเป็นพระชายาและมีพญาพังคีนัคราชเป็นพระโอรสซึ่งปรากฏในตำนานผาแนงนางไอสำหรับวิมานของพญานาคสีสุดโทมีพรมประกายโลกหรือวังนาคินคําชนโนดบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นวิมานที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมีผู้คนเคารพศรัทธาพญานาคสีสุดโทเป็นจํานวนมากพญานาคสีสัตนาคา เป็นพญานาคราชเจ็ดเสียนผู้เป็นใหญ่ในฝั่งลาวเพราะจะเห็นได้จากคาบอกเล่าของครูบาอาจารย์ต่างๆตลอดจนชื่อของกรุงศรีสัตนาคณะหุตซึ่งเป็นชื่อเดิมของประเทศลาวก็มาจากชื่อของพญานาคศรีสัตนาคานั่นเองพญานนาศรีสัตนาคากําเนิดในตระกูลเอปรปถ ะ, ะมีกายเป็นสีเขียวมรกตส่วนเสียนและปล้องพระนาพีเป็นสีแสดตามคําบอกเล่าของหลวงปู่ ค, คําพันโคสปัญโยแห่งวัดพระธาตุมหาชัย จังหวัดนครพนมท่านเคยกล่าวไว้ว่าอุปนิสัยของพญาศรีสัตนาคาคือชอบจําศีลภาวนาเช่นเดียวกับพญานาคศิษสุดโทและชอบมาจําศีลภาวนาที่พระาธาตุพนมบ่อยครั้งในปัจจุบันก็มีผู้คนไม่น้อยที่เคารพศรัทธาพญานาคศรีสัตนาคาอานันตนาคราชเป็นพญานาคราชในความเชื่อของฮินดูแต่ก็มีอิทธิพลต่อความเคารพศรัทธาของชาวไทยเช่นกัน พระชาวไทยจํานวนไม่น้อยก็นับถือเทพเจ้าฮินดูดังนั้นในส่วนของอนันต น, นาคราชเป็นพญานาคผู้ที่ทําหน้าที่เป็นเทพอารักขาและเป็นเสมือนท่านบรรทมของพระนารายก็ได้รับความนิยมบูชาอีกด้วยโดยทั้งฝั่งฮินดูมีความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองแผ่นดินเป็นอวตารของพระนารายจึงถือให้อนันต น, นาคราชเป็นพญานาคของพระมหากษัตริย์ทําให้เกิดการเคารพ บ, บูชาเรื่อยมาสําหรับอนันต น, นาคราช มีร่างกายที่ใหญ่โตมากเพราะต้องเป็นท่านบรรทมให้กับพระนารายโดยการนอนอยู่ในเกษียณสมุดที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้พระนารายนอนบนหลังส่วนในบางตำนานก็กล่าวไว้ว่าดาวนพเคราะห์แต่ละดวงก็ได้ตั้งอยู่บนพังพานของอนันตนาคราชเช่นกันในส่วนของเสียงอนันตนาคราชมีความเชื่อว่ามีจํานวนหเสียรไปจนถึง1000เสียรแต่และเสียงจะเป็นเปลวไฟและความพิเศษของเสียง อ, อนันตนาคราชคือ ไม่ได้พ้นพิดเหมือนกับพญานาคตนอื่นๆผู้ชงนาคราชเป็นพญานาคที่มีกายเป็นสีเทาฮินดูเสียงและป้องพระนาพีเป็นสีแดงสดมีเสียงตั้งแต่หนึ่งเสียงสามเสียงหเสียง7ดเสียงและ9เสียงอีกทั้งยังมีหลายปางแต่ที่ปรากฏส่วนใหญ่พญาผู้ชงนาคราชจะมีหนึ่งเสียงและเจ็ดเสียงและยังมีพลกระกลังมหาศาลหากผู้ใดได้ดกราบไหว้บูชา ย่อมเกิดลาภผลต่างๆทั้งความเจริญรุ่งเรืองที่จะได้รับอีกด้วยสําหรับบทบาทหน้าที่ของพระยาผู้ชงนักราชคือการอารักขาพระศิวเทพหรือพระอิศวนซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ในฮินดูจะเห็นได้จากบริเวณพระศอรหรือคอของพระศิวะนั้นมีนักราชพันอยู่ซึ่งก็คือองค์ผู้ชงนักราชนั่นเองพระชายาขององค์ผู้ชงนักราชมีอยู่หลายองค์แต่ถ้าถือเป็นชายาเอกจริงๆจะมีองค์เดียวคือ พญานาคินีเทวีสีปางตาลหรือแม่ย่าทองคําซึ่งเป็นพญานาคินีประจําองค์แม่พระอุมาเทวีมเหสีของพระศิวเทพพญาศุวรรณนคราชเป็นพญานาคราชที่อยู่ในตระกูลวิรูปักษ์มีกายเป็นสีทองเสียรและปล้องพระนาพีเป็นสีทองหน้าที่ของพญาสุวรรณนคราชคือเป็นพญานาคราชที่ดูแลบริเวณลุ่มแม่น้ํายมและแม่น้ํำน่าน มีพระชายาคือพญานาคีแก้วคำกรองในตระกูลฉับพยาปุตตะมีกายเป็นสีม่วงเม็ดมะปรางพญานาคีสีปทุมมาเป็นชายาของพญานาคสีสุดโทแห่งวังนาคินคาชนโนธมีพระสิริโฉมงดงามมากเกิดในตระกูลเอปรปถะมีกายเป็นสีเขียวตองอ่อนมีนิสัยชอบช่วยเหลือสงเคราะห์มีความเมตตากรุณาถือว่าในปัจจุบัน พญานาคีสีปทุมมาหรือเจ้าหญ้าสีปทุมมานั้นเป็นนาคีที่มีผู้คนเคารพศรัทธามากจึงจัดให้เป็นอีกหนึ่งพญานาคที่มีบุญญาบารมีองค์อินคำไหลองค์อินคำไหลหรือองค์อินนักราชท่านเป็นพญานากราชที่เป็นอีกหนึ่งภาค ข, ของพระอินทโดยพระอินทนั้นเป็นเทพราชาที่ปกครองในสวรรค์ชั้นระดึงเชื่อว่าในภาคที่ท่านเป็นนากราชนามว่าองค์อินคำไหล มีความเชื่อว่าท่านมีเก้าเสียงกลายเป็นสีเงินยวงปรังพระนาพีและพระเสียนก็เป็นสีเงินยวงเช่นกันดวงตาเป็นสีฟ้าท่านเป็นพญานาที่มีบุญญาบารมีมากท่านมักชอบมาจําศีลภาวนาที่บริเวณถ้ำเพียงดินหรือวัดถ้ำสีมงคลอําเภอสังคมจังหวัดหนองคายพญานงคะขะ ค, คินนาคารเป็นพญานาที่อยู่ในตระกูลการหาโคตรามมีกายเป็นสีดํานินทั้งองค์ มีหน้าที่ในการดูแลปกครองตั้งแต่เขตจังหวัดตากขึ้นไปถึงเมืองเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีพญานาคราชในระดับอํามาศที่หลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยวัดพระธาตุมหาชัยจังหวัดนครพนมได้กล่าวถึงซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการปกครองเขตแดนต่างๆดังจะกล่าวต่อไปนี้คือพญาจิตนาคราชเป็นพญานาคที่มีอุปนิสัยรักสวยรักงามมีความละเอียดประณีตทําหน้าที่ปกครองดูแลตั้งแต่บริเวณตาลีฟู จังหวัดหนองคายตามแนวแม่น้ําโขงโดยสิ้นสุดเขตการปกครองอยู่ที่วัดหินหมากเป้งซึ่งเป็นวัดสําคัญของจังหวัดหนองคายและเคยเป็นที่พำนักของพระอริยสงฆ์ในสายกรรมฐานคือหลวงปู่เทศเทศรังสีพญาโสมนาคราชเป็นพญานาคผู้มีอุปนิสัยคล้ายคลึงกับพญาสีสุดโธนัคราชคือชอบปฏิบัติธรรมรักษาศีลจึงเป็นที่โปรดปรานแก่พญาสีสุดโทนัคราชเป็นอย่างมากโดยเชื่อว่าพญาโสมนาคราช เป็นพระองค์เดียวกับพญาสนธินาคราชโดยพญาโสมนาคราชทาหน้าที่ปกครองตั้งแต่วัดหินหมากเป้งมาจนถึงวัดพระาธาตุพนมสุดเขตแดนการปกครองที่บริเวณแก่งกระเบาพญ า, า, า, าชัยะนาคราชเป็นพญานาคผู้มีอุปนิสัยชอบการต่อสู้ชอบการทำศึกสงครามโดยทาหน้าที่ปกครองตั้งแต่แก่งกระเบาจนกระทั่งถึงปากแม่น้ำโขงลงทะเลในขเขมร สำหรับพญานาคราชผู้มีหน้าที่เป็นเทพวิศวกรตามความเชื่อมีอยู่หลายพระองค์ดังจะยกตัวอย่างคือพญานาคเสนนาคราชเป็นพญานาคราชหนุ่มมีรูปโฉมงดงามมากไปด้วยอิทธิฤทธิอภินิหารมีกายสีเขียวเข้มเสียงและป้องพระนาภีสีแดงเข้มพญาจ a n ทร a ุ u นาคราชเป็นอีพญานาคอีกหนึ่งองค์ซึ่งมีฐานะเป็นเทพวิศวกรแต่อยู่ในเมืองบนและมีหน้าที่สําคัญคือเป็นพญานาคประจําพระองค์ของพระพิฆเนศ กายของพญายนาคจันทคุบมีสีฟ้าเสียงปละ้องพระนาภีเป็นสีทองนอกจากนี้ยังมีพญายนาคราชอีกหลายท่านที่มีบทบาทสําคัญตามความเชื่อของผู้ศรัทธาอย่างเช่นพญายนาคราชทั้ง7ที่ปกปักรักษาพระอุรังคธาตุในพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมที่ผู้คนให้ความเคารพศรัทธาอย่างมากโดยรายนามของพญายนาคทั้ง7คือ 1. พญายสัตโธนาคราชเจ้าผู้เป็นประธาน สพยาศีลวุฒินาโค 3. พญาหิริวุฒนาโค 4. พญาอตปะวุฒนาโค 5. พยาสัจาวุฒินาโค 6. พยาจักขาวุฒนาโค 7. พญาปัญญาเตชวุฒนาโคซึ่งแต่ละนามีความหมายอันเป็นมงคลอย่างยิ่งอย่างไรก็ดีในอดีตมาจนถึงปัจจุบันความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาไม่ได้เลือนหาย ยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกขณะเพราะหลายๆคนต่างได้สัมผัสถึงมิติอันรึกลับของหน้าคราชซึ่งถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละคนเพื่อนๆคิดว่าพญานาคนั้นมีอยู่จริงไหมลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าจะลองไปหาข้อมูลมาให้อีกขอบคุณมากครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องของผมให้ด้วยอยากให้ทําเรื่องไหนตำนานอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับ